เอาชนะงานโดยไม่ต้องแลกกับการมีอายุสั้นลงมีแต่คนสอนให้คุณทำงานได้มีแต่คนอบรมให้คุณทำงานดีแต่ไม่มีใครสอนวิธีทำตัวทำใจให้เหมาะโดยเฉพาะระหว่างการทำงานที่เร่งรัดเพื่อจะเอาชนะงานโดยไม่ต้องแลกกับการมีอายุสั้นลงคุณควรเข้าใจกลไกของร่างกายและจิตใจ โดยอาจจะต้องผ่านกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับงานเช่นการว่ายน้าอย่างสงบไม่เร่งรีบแต่ถึงฝั่งเร็วการว่ายน้ำท่ามาตรฐานคือการจ้วงมือลงน้ำแล้ววาดแขนทีละข้างเป็นวงกลมเพื่อดันตัวให้เคลื่อนไปข้างหน้าถ้าคุณฝึกสังเกตจะพบว่าความเกรงมือเกรงแขนการรีบตะกุยน้ำไม่วาดแขนเต็มวง คือตัวทวงให้เคลื่อนไปข้างหน้าช้าลงแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้ถึงฝั่งเร็วขึ้นอย่างที่คิดแถมจะยังฟงุ้งซ่านพวาวงถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้นอกซะไหว้ไม่ทันไรก็คิดแล้วว่าไหว้นานไปหรือเปล่าเสียเวลาทำโน้นทํานี่หรือเปล่าแต่หากกล้ามเนื้อผ่อนคลายร่างกายอยู่ในท่าทางที่สมดุลค่อยค่อยลากมือแหวกน้าช้าๆลาแขนและลาตัวจะไม่เกรง็งจิตใจจะสงบสุขขึ้นเรื่อย คิดถึงเรื่องอื่นน้อยลงเรื่อยๆไม่นานก็่ายถึงฝั่งโดยไม่รู้สึกว่าช้าเลยและช่วงเวลาที่แบ่งไว้แล้วสำหรับว่ายน้ำก็ไม่ได้เบียดบางธุระอื่นใดสักหน่อยลงข้ามหลังขึ้นจากสะจะสดชื่นมีสติมีเรยวแรงพร้อมทำธุระอื่นได้ดีขึ้นต่างหากเมื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อตัวกับจิตใจคุณจะเอามาใช้กับการทางานได้หมดคือเห็นชัดว่า ความกำเกรงทางกายมีผลรงกับการผลิตอารมณ์ส่วนเกินยิ่งเกรงเท่าไหร่ยิ่งคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดเท่านั้นความเห็นชัดที่ประกอบด้วยความเข้าใจนี้มีสิทธิรีเ e t สมองของคุณได้คือคุณจะรู้ออกมาจากส่วนลึกเลยว่าขอแค่ไม่เกรงเนื้อเกรงตัวก็จะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดแล้วยกตัวอย่างเช่นแม้งานไม่เสร็จไม่ทันอยู่เหนือการควบคุมของคุณจริง แค่คุณมีสติไม่เกรงไม่ฝืนเร่งต่อให้เสียแรงเปล่าเท่านี้ร่างกายก็จะผ่อนคลายลงแล้วไม่คิดอะไรลบๆซ้ำเติมตัวเองไม่โวยวายฟาดหงวงฟาดงาหาคนผิดมีแต่รู้คิดว่าจะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นอีกข่าวดีสำหรับคนขี้เกียจว่ายน้ำหรือหาสาน้ำไม่ได้คือแค่จินตนาการว่าตัวเองเอามือแหวกน้า ว่ายไปข้างหน้าช้าๆคุณจะรู้สึกถึงความผ่อนคลายเนื้อตัวจริงๆและใช้เป็นจุดเริ่มต้นสังเกตทั้งอาการเกร็งและความผ่อนคลายได้แล้ว